อัลลฮราะ์มานุรรฮมวะบิฮินความสนติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลลอ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับฮมดุลิละวันนี้กลับมาพบกันประจาในทุกวันศุกร์นะฮะสัปดาห์หลังจากละหมาดวันศุกร์เรียบร้อยหลังจากผ่านพ้นวันศุกร์ไปมีช่วงเวลาที่ดูอามุสตายาบนะครับกลับมาพบกันทุกครั้ง ในแต่ละสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นข่าบเกี่ยวกับตัฟซีดหรือว่าการไข้ปวดอันกุรอาหานนะสัปดาห์อื่นก็จะมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายกลมกลืนนะครับขอบคุณทีมงานที่ได้อํานวยการให้เราสามารถมาพบปะกันแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้นะฮะ ร, รวมถึงมัสยิดอันอิสลามนะฮะท่านอาจารย์ยาโตมางีคณะกรรมการมารัสยิดทุกท่านรวมถึงสปรุดที่ อยู่ที่มสัสยิดแห่งนี้นะครับที่ได้อํำนวยสถานที่ให้เราได้ใช้กันในการเรียนรู้คำพูดของลอสุบฮานอหัวตลาลนะครับอายะช่วงตอนท้ายของสุรฮุต ท, ที่ลอสุบฮานอหัวตาลาได้ประทานลงมาสุรนนี้เนี่ยเนื้อหาพี่น้องได้ทราบกันออพอสมควรแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดถึงกลุ่มชนในยุค ก, ก่อน อดีตตลอดปรัติศาตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงและกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงก็คือบรรดา น, นับีแลเลาะห์ซุนทั้งหลายและส่วนกลุ่มคนที่เป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนของนบีนุลห์นวหรือโนอาห์ที่มีความดังมากในเรื่องของน้ําท่วมโลกจนกระทั่งเอาไปผลิตเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมฮะแล้วมีกลุ่มชนของอับีหฮูดที่เรียกว่าอาร์ตฮูดอาร์ตนี่คือ กลุ่มชนที่มีร่างกายที่กำยำแข็งแรงเช่นเดียวกับสมูทกลุ่มชนของนบีซอลและอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วยังมีกลุ่มอะไรครับกลุ่มชนของนบีอิอบอราฮีมอะลัยฮิสต์สลามนบีลูตอะลัยฮิสต์สลามซึ่งปัญหาของแต่และกลุ่มชนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่อยมาถึงกลุ่มของนบีชูอฟเราก็ได้ทราบไปแล้วในครั้งก่อนก่อนนู้นนะฮะว่าการสอน การอบรมของนบียะซะลอขึ้ของนบีชูเออะลฮิสลามเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นในคนยุคนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องอะไรเรื่องหลักศรัทธาการอิบารัต่อลอ้อยเพียงองค์เดียวแล้วมันจะข้อลูกออกมาปัญหาหลักของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศรัทธาต่อล้อยอย่างถูกต้องปัญหานี้เป็นโครงสร้างหลักของปัญหาต่าง ซึ่งมันจะคลอดลูกออกมาเนี่ยแล้วแต่จะหน้าตาแบบไหนแต่บนพื้นฐานของปัญหาการตั้งภาคีะต่อหรบางทีจะคลอดลูกออกมาเป็นการรักร่วมเพศคลอดลูกออกมาเป็นการเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการโกงกินเป็นการคอร์รัปชันต่างๆคลอดลูกออกมาเป็นอะไรฮะเป็นความผิดต่างๆเนี่ยมากมายอบียามุกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะแสดงว่าประเด็นหลักเนี่ยเดียวกันคือการที่ไม่รู้จักขนทางอันเที่ยงตรง ไม่รู้จักอา ล, ล้อสุภาษิตในหัวแต่ละอย่างถูกต้องเที่ยงตรงก็ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยคลอดออกมาก็เป็นความผิดเป็นความชั่วทั้งหลายนะฮะเรื่อยมาถึงท่านนาบีมูซาอะลัยฮุสลามซึ่งเป็นคนที่ดังที่สุดทนบีมูซาโมเสสนะฮะแล้วกุรานกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องราวของนบีมูซาและเป็นที่น่าแปลกว่ากลุ่มชนของท่านเนี่ยบันิสรออีนเนี่ยก็ถูกกล่าวในอันกุรานมากที่สุดแม้ว่า น บ, บมีมูฮัมมัดสโลส์ประเสริฐที่สุดนะฮะแต่น บ, บีมูซาเนี่ยถูกกล่าวมากที่สุดแม้ว่าประชาชาิท่านน บ, บีเองสอลส์ประเสริฐที่สุดแต่บันียุสรอีเนี่ยถูกกล่าวถึงในอันกุรานเนี่ยมากที่สุดแสดงว่าต้องมีเนย้อสําคัญในการที่เราศึกษาอันกุรานเพียงสุรหฮุตนะฮะเราย่อมที่จะเปิดโลกทัศน์หรือว่าพอที่จะเข้าใจว่าโลกนี้เนี่ยดำเนินไปอย่างไรใครมีความสําคัญใครไม่สําคัญกล่าวถึงฟาโร่ฟาโรนี่คือมีจุดสําคัญไปด้านตัวอย่างใช่ไหมฮะ แต่บนันทีอิสาราเอลเนี่ยคู่กันไปเนี่ยมีความสําคัญกับโลกยุค ก, ก่อนแล้วก็โยกโลกปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบดีชาวยูหรือพี่น้องชาวคริสต์เองเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการที่จะแสดงอะไรบางอย่างให้โลกใบนี้เนี่ยได้เห็นประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าใครที่สามารถดูแลกลุ่มคนที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้ซึ่งมีความผิดพลาดบางอย่างไอ้เช่นชาวยูมีความรู้เป็นกลุ่มชนที่อะรถเนี่ยได้ให้เกียรติ ฟดอนนากรมาเลนลาเลมินที่รอดได้บอกเราได้ทําให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือสากลโลกทั้งหลายแต่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ความรู้เป็นไปในลักษณะใดดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้กลุ่มชนนี้เนี่ยเป็นพิเศษเผมไม่แน่ใจว่าซุร้อนยูซุปเคยมาพูดที่ยังไม่เคยพูดนะครับ อ, อ, อย่างน บ, บียูซุปเองหรือในซุร้อนยูซุปเนี่ยเป็นซุระอนที่กล่าวถึงต้นตระกูลของบันีอิสราอิลน่าสนใจมาก เรารู้ถึงลักษณะนิสัยรู้ถึงการปฏิบัติรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เขาเรียกว่าความอะไรนะฮะความที่เขาคือเขาสามารถที่จะวางแผนกันแล้วก็ฆ่าน้องชายตัวเองในบิยูซุฟอะไลฮิสลามแม้ว่าจะคนและมารดาก็ตามแต่เราทำไห้เราเห็นภาพโดยรวมอ๋อนี่คือต้นตระกูลของบนิอิสราอเนี่ยแม้จะเป็นมุสลิมต้นตระกูลนี่คือลู ก, ล, กลูกของนบยกุปทั้งหมดเป็นมุสลิมก็ตามนะฮะ แต่ลักษณะนิสัยของพวกเขาเนี่ยเราพอที่จะเข้าใจเอาล้อสอนให้เราเนี่ยย่อมที่จะมองกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยออกว่าโอกาสที่เขาจะสั่งให้สังหารหรือว่าเข็นฆ่าผู้คนเหมือนกับผักปลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกขาดพี่น้องของตนเองเนี่ยยังสามารถทาได้ลักษณะนี้นะดังนั้นบทบาทของนบีมูซา่าจึงเป็นบุคคลต้นแบบที่มีบุคลิกที่เข้มแข็งและสามารถ ปราบหรือกำราบบันิสโตรีนได้แม้ว่าท่านอบีุลมซ่าจะจะถูกอะไรนะฮะถูกทําร้ายหรือเช่นไรนะฮะทำให้ท่านเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจในหลายครั้งก็ตามอย่างเช่นตอนหนึ่งที่บันิสโตรีนเนี่ยเจอนบีุลมซ่าต้องการจะนึ่งเอาพวกเขาเนี่ยออกมาจากฟาโร่ใช่ไหมปลดแอกพวกเขาเจากการเป็นทาสของฟาโร่แต่พวกเขาเนี่ยก็ตํำหนิอับีุลมซ่าพวกเราเนี่ยถูกทําร้ายก่อนที่ท่านจะมาและภายหลังจากที่ท่านมา เหมือนกับว่าน บ, บีมูซามาเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยท่านท่นที่น บ, บีมูซาเนี่ยช่วยเหลือพวกเขาพยายามที่จะกดแอกนะฮะไม่ได้มองถึงบุญคุณที่น บ, บีมูซาเนี่ยมีให้แก่พวกท่านพวกเขาแต่ขณะเดียวกันน บ, บีมูซาก็ดูเหมือนว่าเป็นน บ, บีของบรนีัอิสราเอลที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการบรนีัอิสราเอลพวกเขาเองเพราะน บ, บีฮารุนที่เราดูประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะ ร, รับทราบแต่ ว, ว่า นบีฮารูนไม่สามารถที่จะกำราบพวกเขาเนี่ยให้ไม่ไอบานะต่อรูปบัวปั้นได้จกนกระทั่งต้องให้นบีมูซาเนี่ยลงมาแสดงว่าบุคลิกของนบีมูซาเนี่ยก็น่าศึกษาว่าท่านอยู่อย่างไรกับปณิสรออิศและเช่นกันท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลล็อห์อะไรสันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่สามารถจัดการกับยาฮูดชาวยิวที่อยู่ที่มาดีนะได้อยู่หมัดดังนั้นดูเหมือนนบีสองท่านนี้เลยจะเป็น เป็นบุคคลต้นแบบในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบันิสลออินกลุ่มคนเหล่านี้นบีฮารูนเนี่ยเป็นบันิสลออินเหมือนกันเป็นพี่ชายนบีมูซาแต่ว่าคือคุมเขาไม่อยู่อันนี้คือตามประวัติศาสตร์หรือนักรุ่นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาบอกโดยตรงนะครับนบีบางท่านถึงขนาดถูกฆ่านบียะฮยานบีสักเรียหรือ น, นบีอิสซาเองแล้พี่น้องดูนะนบีอีซาเนี่ยชาวคริสต์เองเนี่ยเชื่อว่าชาวยิวเนี่ยฆ่านบีอีซาหรือว่าเยซู มุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์เนยกท่านไปใช่ไหมฮะอันนี้คือความโหมดเหี้ยมของใครฮะบันิสระ อ, อินสามารถสังหารได้บันิสระอินจริงน บ, บีมูซา บ, บีอีซาเนี่บีอีซาเนี่ ย, บบยถือว่าเป็นสายตระกูลของบันิสระอินแต่ทางกฎหมายอิสลามนะฮะไม่เรียกว่าเป็นบันิสระอินทาไมฮะเพราะ บ, บีอีซาไม่มีพ่อที่เป็นบันิสระอินเขาเรียกว่าเป็นลูกของพระนังมัตยมอย่างเดียวไม่ได้กลับไปหาใครทั้งสิ้นนะฮะแต่พนังมัตยมนี่ก็เป็นลูกของเ อ, อ คุณพ่อท่านเนี่ยสืบเนื่องต่อไปนะครับดังนั้นนี่คือภาพเรื่องราวของน บ, บีมูซาเนี่ยก็มีความน่าสนใจจกนกระทั่งสุดท้ายที่เราศึกษาไปในครั้งที่แล้วนะครับก่อนอัลลอฮฺเนี่ยก็คืออัลลอได้สรุประยะที่ร้อยถึงหนึเนี่ยว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยซานิกามินอัลบัยนุรอเป็นข่าวคร า, าวของชาวเมืองที่เราได้เล่าให้แก่เจ้าเนี่ยได้ฟังบางส่วนยังคงอยู่บางส่วนก็ได้สับสูนไปแล้ว โดยเราไม่ได้อาธรรมแก่แต่พวกเขากับพวกเขาแต่อย่างใดแต่พวกเขาได้อาธรรมต่อตัวเองต่างหากแล้วพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ใ น, ในเวลาที่พวกเขาเนี่ยช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเมื่อบัญชาขอร้อนเนี่ยได้มาถึงนะครับแล้วเราก็บอกเช่นนี้แหละคือการลงโทษขอร้อนเมื่อพระองค์ต้องการจะลงโทษหรือฆ่าชีวิตใครแล้วเนี่ยอินนัคซะฮูอาลีมุลชะดีการจัดการขอร้อนเนี่ยมีความอาลีมุน รุนแรงเจ็บปวดชา ด, ดีนี่ก็คือรุนแรงนั่นเองนะครับในวันนี้อายะที่ร้อยสนะครับเป็นต้นไปเราจะศึกษาต่อมาว่ า, าหลังจากนั้นเนเอร์ลอตได้สรุปเรื่องอย่างตัวนี้สําคัญขมวดปมสำนวนในอันกุรานที่นําเสนอมีความสวยงามไม่น่าเบื่อเราจะเห็นนะฮะอร์ลอตนาเสนอเนี่ยพอจบนบีท่านหนึ่งจะมาอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายมีบทบทเรียนที่แตกต่างหลากหลายทั้งที่โครงเรื่องเนี่ยเหมือนจะคล้ายคลึงกัน ประเด็นปัญหาของกลุ่มชนตอนเริ่มตอนท้ายเนี่ยจะคล้ายคลึงกันแต่ความสนุกของเนื้อเรื่องในแตกต่างตอนต้นเกลื่อนนำของสุร้อนนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจดึงดูดพอเข้าสู่ประวัติของนบีต่างๆแล้วเนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ช่วงตอนท้ายจะเป็นบทสรุปซึ่งการนําเสนอของอัลลอฮ์เนี่ยซุบฮานะฮุอาลาะก็จะหยิบยกประเด็นต่างๆพร้อมกับคำหมวดปมให้เราเนี่ยได้เก็ตประเด็นมากยิ่งขึ้นและเราผูกโยง กับเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลามากยิ่งขึ้นนะครับกุรอานจ ะ, จะดึงไปดึงมาบางทีจะเล่าถึงอดีตและบางครั้งก็จะโยงไปอนาคตให้เราเดูตื่นเต้นเอ้ยมันยังไม่เกิดมีอะไรบางอย่างไม่เกิดมีบางเรื่องที่เกิดแล้วหรือบางทีเนี่ยก็จะโยงมาสู่ปัจจุบันให้เราเห็นภาพชัดเจนถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตะลานะครับอ่าเรามาศึกษาในอายะที่หนึ่งร้สานะครับถึงเอ่ออายะที่ หนร้อยแปดอินชาอัลลอฮฺอุ وذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لا آية لمن قاف عذاب ا آ خ ر ة ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 ข้าลิ ن น فيها م ا ด ا มท ا ل ส์ส์ ل าว ا ต ا ์และ ا م ร์ดุ ر ب ลลามาชَ่ ا ل รบุคَินนัِับบั ي ฟ้า د ล ا มาَูริดว่ามั้ลที่นั้นสูงด ج َ้าฟินจันต์ข้าลินِ ي ه َ ا ข้าลีน์น فيها มาดามทิสสภาวะทั้วอาร์ดุอิลลามาชาอรัร บ, บุก عطاء อันไกรมจดุอัลลอฮฺซุบฮาะแนห์ฮฺอัลต้าได้กล่าวนะครับยันที่103อินนฟิซาลิกาแท้จริงในการนั้นในการนั้นคืออะไรฮะในการถึงเรื่องราวของกลุ่มชนที่เคยถูกลงโทษ ด, ดังกล่าวนี้เนี่ย mm hmm. ละอายาตันเป็นสัญญาณ อุล玛เขาบอกสัญญาอะไรฮะสัญญาณที่บ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ในการลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในโลกนี้อลัลลอฮ์จึงบอกลีมันขอฟะอาซาบัลอคราะห์เป็นสัญญาณไม่ใช่สำหรับทุกคนจริงๆแนละ้วสำหรับทุกคนแต่คนที่จะรับประโยชน์จากสัญญาณนี้คือคนที่กลัวลีมันขอฟะอาซาบัลอคราะห์การลงโทษในโลกหน้า เห็นไหมฮะบอกกับพ <Wha> ี <okay. ỗ df od> ่น้องว่าการนําเสนอขออเล่เนี่ยน่าสนใจหยิบยกเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วแล้วบอกถึงการลงโทษขออเล่ที่ผ่านมาแล้วในกลุ่มชนต่างๆอันเนื่องจากการปฏิเสธและการฝ่าฝืนคําสั่งขออเล่หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ดึงไปอนาคตบอกว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณมุสลิมเป็นคนที่ถูกสอนให้เอาใจใส่กับสัญญาณมาก อย่างในสุร์ยูซุฟเองนะฮะมีสัญญาณสัญญาณนี้คือไม่ว่าจะเป็นการหลับและฝันนี่ก็เป็นสัญญาณที่มาตอบหรอหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณมุสลิมจึงเป็นคนที่ไวต่อสัญญาณมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างรู้แล้วสังเกตได้ยังไงฮะสังเกตได้จากดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมุสลิมจะรู้ก่อนคนคนแรกใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์ขึ้นใครรู้ก่อนคนแรกในโลกฮะมุสลิมเพราะอะไรฮะเขาต้องละบาศุบู ดวงอาทิตย์มาเหี่ยมือแสงอรุณไม่ต้องพูดถึงดวงอาทิตย์นะฮะแสงอรุณจริงจะขึ้นเนี่ยใครรู้ก่อ น, นครับมุสลิมดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยมุสลิมก็รู้ก่อนเพราะรู้ว่าเวลาจะหมดสุโบแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะถูกไหมฮะดวงอาทิตย์ตรงศีรษะคล้อ ย, คอยแค่ดวงอาทิตย์คล้อยเนี่ยนะฮะคนทั่วไปไม่รู้นะฮะไปถามเขาเวลาดวงอาทิตย์คล้อยเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มุสลิมรู้ทําไมฮะต้องละหมาดซุรีแล้วดวงอาทิตย์ตกใครรู้ฮะมุสลิมก็รู้ก่อน บางคนเนี่ยแปลกใจเลยเรารู้ด้วยไงอ๋อเราเร า, เราละหมาดบัลกเรเด็บทุกวันละหมาดบัลรเด็บคือละหมาดเวลาดวงอาทิตย์ตกแสงแสงอรุณรับขอฝาหมมุสลิมก็รู้ก่อนแสดงว่านี่เป็นสัญญาณดวงจันทร์ขึ้นแต่ละเดือนมุสลิมก็รู้นะฮะเพราะมีเดือนแสดงว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่กับสัญญาณสัญญาณอะไรบางอย่างเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกเพราะถูกสอนมาในอันกุรอานก็เป็นสัญญาณ เทลออสสุบฮานอหัวตาได้บอกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรบางอย่างเหตุการณ์อะไรบางอย่างเฮ้ยหลือล้อเตือนเราถ้าพี่น้องสังเกต น, นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีคําพูดลักษณะนี้เอออัลลอฮ์กำลังเตือนเราหรือเปล่ากลับมาทบทวนบางอย่างซิงในชีวิตเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ความรู้สึกของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวนี่เป็นความจริงก็ล้อเตือนจริงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วผู้ใหญ่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีนะเขาก็จะบอกเฮ้ย อัลลอฮ์กำลังเตือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยแหละนี่คือสัญญาณลีมั่นขอฟาเซบัลอาคีรอสำหรับคนที่กลัวการลงโทษในอาคีรอนั้นเนี่ยบางทีอัลลอฮ์สุบฮานหุหัวแต่เราก็จะให้สัญญาณอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดไอ้เจ็บป่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรบางอันนี้อุลมามะเขาพูดถึงนะว่าแม้แต่ขับรถจะ ร, ร, รถรถแต่ว่ามีปัญหาอะไรนิด น, นึงเนี่ยอ่าแสดงว่าต้องมีอะไรหรือเปล่าที่เราทําความผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานหุหัวแม้ว่าจะไม่เสมอไปนะ แต่จุดที่เป็นสัญญาณเหล่านี้เนี่ยย่อมทําให้เรากลับมาทบทวนบางทีนละลอสทบทวนสอบเฉยๆก็ได้ก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยเราก็กลับมาอิสติฟาตไม่เสียหายการกลับมารำเนินถึงอลอสสุบฮานอหัวตลาลัยเนี่ยแน่นอนไม่เสียหายนะครับแล้วก็เช่นกันเรื่องราวต่างๆในอดีตถูกระบุในอันกุรอานเนี่ยของกลุ่มชนที่ดังมากคนที่ดูเรื่องของเนบีมูซาโมเสสกับไม่เท้าเขามีทําเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเขาดูด้วยความบันเทิง แต่ไม่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมอาจจะไม่ดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่เรารู้เรื่องราวเนี่ยถือเป็นสัญญาณตักเตือนเราเพราะเรามีความกลัวอาซาบลาคิรอคนดูเรื่องของนบีนูฮานอาคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมฮะจะลงใจอย่างเดียวแต่มุสลิมดูแล้วได้รับบทเรียนทําให้ต้องกลับมาทบทวนชีวิตอีกครั้งนึ่งนะฮะแล้วเราก็ยืนยันต่อไปดังกล่าวนี้เนี่ยเป็น สัญญาณสําหรับคนที่กลัวการลงโทษในอาครอะ The لَيَوْمُ مَجْمُوعُ ا ل ْ ه ُ ن َ ا س ดังกล่าวนี้นั่นคือหมายถึงว่าการลงโทษในอาครอนเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลือกได้ท่านพี่น้องสังเกตหลักศรัทธาในอิสลามเนี่ยมีหลายประการศรัทธาต่ออัลลอยฺอย่างในตอนต้นของสุรบะการอนเราพูดถึงอัลลดีนิยูบินูนะบิลร้อยศรัทธาต่อสิ่งลี้ลับ แต่เมื่อเราพูดถึงวันอาคีรอซึ่งเป็นหนึ่งในอัลร้อยสิ่งล้นลับแต่พระองค์ไม่ไม่ได้บอกว่าให้ศรัทธาอย่างเดียวว่าฮุมบิลอาคีรอติฮุมยูกีนุนต้องเชื่อมัน่นทำไมฮะเนื่องจากหลักศรัทธาอื่นๆเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ประสบกับมัน อ, อย่างเช่นยินอย่างเงี้ยฮะเราอาจจะไม่ได้ชีวิตไม่ได้เจอไม่ได้อะไรคุกคีอะไรใช่ไหฮะ หรือบรรดามาเมริกาบางท่านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประสบโดยตรงถูกไหมฮะสิ่งน้นรับบางอย่างเนี่ยมีแต่ว่าเราไม่ได้ประสบโดยตรงแต่เราศรัทธาบรมือเราซุนต่างๆเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเลยซ้ำใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงเราซุนเหล่านี้แต่สําหรับวันเกียร์มาเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนต้องสัมผัสเพราะเป็นวันรวบรวมมนุษยชาติทั้งหลายดังนั้นเนี่ยวันเกียร์มาระดับศรัทธายัง ต้องต้องต้องขึ้นไปถึงระดับยากินมั่นใจมั่นใจว่ามีแนละทุกคนจะต้องเผชิญดังนั้นการศรัทธาในโลกหน้านี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาแต่มันยกระดับขึ้นไปถึงต้องยากินต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนพอเราบอก t h ล d กะดังกล่าวนี้ยาวมุมม um ูอลลหุนัสเป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายถูกรวมละหู u, ก็คือ ไปยังาาอัลลอฮ์ سبحانه และุรตะยาวมุมมัจมุอุลลหุนนาสถูกรวมไปยังอัลลอฮ์อายะห์หลายตำแหน่งที่าาอัลลอฮ์ سبحانه และุรตะบอกถึงเดชานุภาพของพระองค์ในการที่จะรวมมนุษย์ทุ่งมัชชาร์เนี่ยความหมายคือมาจากคาว่าห a ช h a r o แปลว่ารวมทุ่งมะชชาร์ตหรือ h a s h a r o แปลว่ารวมอย่างนะฮะอีกความหมายหนึง่งแปลว่า h a s h ี่คือแปลว่า มแมลงตัวเล็กๆอะฮะซึ่งหมายถึงว่าสภาพของมนุษย์ในวันกียร์มัสเนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้เป็นฝูงเป็นมแมลงเป็นอะไรที่มันฟุง้งมันเป็นดูเหมือนเหมือนกับไม่มีเยอะเยะแต่ไปหมดประมาณอย่างนี้นะฮะนี่คือสภาพมนุษย์ในวันเกียร์มัสและเช่นในียวกันอาชาร้อนแปลว่ารวมดังนั้นทุ่งมชัชชัตแปลว่าทุ่งแห่งการรวมแล้วาจะรวมเราอย่างไงฮะอัลลอฮ์ให้หลักฐานปัจจุบันนี้ในดุนยานี้เนี่ย อุลมามะบอกเหมือนกับว่าการที่อัลลอฮ์สามารถให้มนุษย์แพร่กระจายบนแผ่นดินได้พระองค์ผู้เดียวกันย่อมสามารถที่จะรวมมนุษย์กลับมาเป็นที่เดียวกันได้ดังนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะรวมมนุษย์ในทุกมัชชัดได้ในวันเกียร์มัตเนี่ยก็คือหลักฐานที่พระองค์เนี่ยให้มนุษย์ว่บัสมินฮุมาริจะเลนกะซีโรบานิสา พระองค์คือผู้ที่ให้มนุษย์เนี่ยได้แพร่กระจายไปบนหน้าแผ่นดินทั่วไปเลยนะฮะนิสาซเอ่ออะไรนะฮะทั้งเพศชายและเพศหญิงมาจากมนุษย์สองคนพี่น้องลองสังเกตดูก็ได้นะฮ ะ, ะสมมุติว่าในในเครือญาติเราเนี่ยบางทีเนี่ยอตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเด็กๆใช่ไหมฮะรอโตสิโตกันหมดเลยคือโตกันแบบว่าคือระดับแบบเท่ากันหมดนะ่ะหมายถึงว่าระดับความ อายุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะความความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่กันหมดเลยแล้วจานวนนี่คือขนาดที่คนเพียงแค่แค่ครอบครัวเดียวจากปู่กับย่าหรือตากับยายในยแค่ครอบครัวเดียวแต่พอเวลารวม ก, กันวันอีพี่น้องสังเกต น, นะตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กๆกนะันใช่ไหมแต่เวลาตอนโตเ น, นี่ยผมมันคนเยอะจริงเลยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากสองคนนี่แค่ไหนแค่ครอบครัวเดียวแล้วก็ยุคแ ค, ค, ค, ค่ยุคเดียวยุคเรานีภาษาอะไรกับตั้งแต่นะบียดัมถ้ามาเจอปั่นเนี้ฮะ มาเฉยลูกเลยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนฮะก็มาจากสองคนและอัลลอสซุบฮานหุหัวตาเนี่ยทหน้าที่อะไรฮะให้ออกไปเนี่ยอย่างหน้าแผ่นดินันั้นในสุรออัลมุนอัลลอฮจึงบอกกุลจงกล่าวเถิดหัวลดีザรออาุมฟินอัพระองค์คือผู้ที่กระจายพวกเจ้าไปทั่วแผ่นดิ น, นพรออาคุมฟินอั และยังไงต่อไวอีไลฮิตุฮชะรุและอย่างอัลลอฮ์เท่านั้นคือการกลับไปรวมตัวกันตุ่ชะรุนี่คือมัชชัตเห็นภาพไหมฮะแสดงว่าหลักฐานที่บ่งบอกถึงเดชนุภาพของอัลลอฮ์ก็คือการที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กระจายไปบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ทําให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งย่อมสามารถทําได้เพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ทำให้เห็นแล้วว่าพระองค์สามารถที่จะให้มีรถออกไปทั่วโลกได้นะครับวาดะลิกยาอมุมมาชูรและเช่นกันนั่นคือวัน แห่งการถูกเป็นพยานอันนี้กุฎาญปาย ไ, ปไทยเขาบอกว่าคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมพรัชแต่วันนี้ในทัสซิดเล่มต่างๆนะครับเขาบอกว่าเยามุมมาชูสเนี่คือวันที่อัลลอฮฺจะเป็นพยานบรรนานมาเลกาจะเป็นพยานแล้วก็เะมีออนมาคลูกอสสิ่งถูกสร้างทั้งหลายต่างเป็นพยานให้กันและกันไปถึงว่าเป็นพยานทุกคนจะมาประจักษ์ในวันนั้นทั้งสิ้น อันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่ฮะเยม่มุมาชุดวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตะเวลาพระองค์เนี่ยได้ออกแบบอีบ า, ดายด้าในความสวยงามอีบายด้าของอัลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะเทศกาลที่จะถึงในในเร็วนี้เด็กประมาณอีกเดือนกว่าๆเลยนะฮะคือเทศกาลฮัชเทศกาลฮัชเนี่ยเป็นการออกแบบให้ผู้คนเนี่ยจําลองเหตุการณ์ของวันเกียรมาแต่ที่บ้านของอัลลอฮ์ในทุกมหัชช์เนี่ยคนรวมกันต่าง เผ่าพันุ์ต่างเชื้อชาติต่างภาษามารวมกันที่เดียวกันบงบอกว่าอะไรฮะบงบอกว่าในวันเกียมมันเนี่ยคือทุกคนจะต้องมารวมกันหมดะฮะตั้งแต่อะไรฮะวจอรบุกะวัมะลกุซฟันซฟไฟอะไรนะฮะกัลลาอิดุกกติอัดุดักกันดักกเมื่อแผ่นดินถูกสั่นไหวก็คือวันเกียมจะเกิดขึ้นวจอรบุกะวัมะลุซฟันซฟแล้วพระเจ้า ของเจ้าได้มาสเสด็จมายาร บ, บุกะวลมาละกูและมาลยกาก็ต่างลงมาซอฟฟันซอฟซอฟาต่างมาเป็นแบบแถวแถววะยีอ่ะย้ามาอีซิมบียาหันนำในวันนั้นยาหันนำจะถูกลากมาในงานฮะดิษท่านนบีบอกฮะดิษซัยนะฮะว่ายาหันนำเนี่ยเส้นโซ่ที่ถูกลากนะฮะเจ็ด0ื่นเส้นและแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีมลายกะเจ็0 0 0 0ท่านก็คูณกันไปนะ แสดงว่าจะนำในี่ใหญ่แล้ว ม, มาเลก้ามาเลก้แต่และท่านก็คือเราก็ไม่ต้องจินตนาการเลยนะมาเลก้านี่คือร่างกายใหญ่โตมากที่ล้อซุปหานอหัวตราสร้างแล่วันนี้คือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากวันที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยิ่งใหญ่ของวันอันนั้านจำนวนคนนะฮะทุกคนรวมไม่ใช่คนอย่างเดียวมาเลกา้าไม่ใช่มาเลกา้าอย่างเดียวยินไม่ใช่ยินอย่างเดียวมัคลูกอสทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดแม้แต่สัตว์ต้องถูกสอบสวนในวันเกียวกแม้แต่สัตว์นี่คือเฉพาะ สมสอนแนละ้วกูนี่เออกูนี่ตุรบะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็บอกอาจงเป็นดินชดใช้กันเสร็จการอาธรรมที่เกิดขึ้นในในดุนยานี้นะฮะไม่มีใครแล้วซูลมันยาวมาล้บม่มีการอาธรรมในวันนี้ไม่มีการอาธรรมขนาดที่ว่าสัตว์เนี่ยนะที่ไม่รู้ประษีภาษาหรือว่าเกิดมาไม่ได้มีเ อ, อ่ออะไรนะฮารันฮารอมในชีวิตของเขานะฮะไม่มีเราซูลมานะสัตว์เนี่ยไม่มียิน ม, มีมนุษย์มีทะลาะกันหน่อยคือเข่าขิดกันปั๊บ ตัวนึงมีเขาตัวหนึ่งไม่มีเขาตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยเจ็บตัวไปแยกกันไปในวันเกมะตัวที่ไม่มีเขาจะกลายเป็นมีเขาตัวไม่มีเขาไอตัวที่มีเขาว่ดดุนยาเนี่ยไม่มีแล้วก็ถูกขีดคืนชดใช้สิ่งที่ทำระหว่างกันแลน้วนภาษาอะไรกับคนที่สังหารคนทำร้ายคนเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือฆ่ายกครัวอะไรต่างๆเป็นต้นนะนั่นแสดงว่าต้องชดใช้ไหมฮะ ถ้ามีเฉพาะในดุนยามันทดใช้อย่างไงฮรคนสมมติคนหนึ่งเนี่ยฆ่าคนเป็นพันหรือมากกว่าน้อยกว่านั้นนะฮะแล้วเขาะถูกประหารประหารยังไงจะไปประหารคนอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมฮะก็ประหารแค่คนเดียวถ้าดุนยานี่คือดุนยาจบนะฮะโลกนี้จะไม่มีความเป็นธรรมถูกประหารกี่ครั้งพันครั้งเพราะคุณไปฆ่าพันคนพันครั้งยังไงฮะมันไม่ได้มันได้แค่ครั้งเดียวเอาแล้วคนอื่นเนะี่ย มันชดแทนได้ไงอ่ะคนนี้คือของคนเลือดของคนนี้คนนี้จบคนเดียวในยเก้าร้้าเกคนดังนั้นนี่นคือหลักฐานว่าต้องมีวันเกียร์มาต้องมีชดเชยเนะฮะขาดอีกกี่คนเนี่ยถ้าหากไม่เตาบัดตัวถ้าตาบัดตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะอาภัยโทษให้นะครับดังนั้นนี่คือวิซ่าดีก็ยังมาชูวันที่ถูกเป็นพย า, ยานเพราะใครอะเพราะทุกคนเนี่ยจะประจักษ์หมดอัลลอฮฺพี่น้องวันวันทอลัลลอฮฺเสด็จมาจะรบบุกะวัน ทุก้อหมดมันลดอยู่ตรงกลางนะฮะทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่ยุคเราอย่างเดียวไม่ใช่เออเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นจนประชากรเมืองจีนเงี้ยคือประชากรเมืองไทยรู้สึกว่าช่วงปะท้วงอะไรก็เยอะแล้วนะรวมตัวกันไดเยอะในหลายสถานที่เนี่ยรู้สึกจะเยอะละประชากรเมืองไทยไม่ใช่ผมประชากรทั่วโลกอ่ะรวมกันนะฮะมันจะขนาดไหนเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยอ่ะโอ้โหมันจะขนาดไหนและคนหลังจากนี้จะมีกันกี่กี่พันล้านกี่หมื่นล้านคนเราก็ไม่ทราบได้ใช่ไหมฮะ ทุกยุคทุกสมัยแล้วมนุษย์ทั้งหมดรวมแล้วมีมารายการอีกอัลล์และมาากนเนี่ยอุลมามะบอกว่าจำนวนมากกว่ามนุษย์วะลียอัลมูจูนูดารบิกะอิลลาหุไม่มีใครรู้จำนวนของมาลากานอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จำนวนของมาราการ น, นอกจากอาากัลล์แสดงว่าจำนวนมารายการก็อีกมหาศาลงานของวันกตรียมัตเนี่ยคือรวมกันมนุษย์ตรงกลางทุกทก ท, กทุกยุคนะอยู่ตรงกลาง ล้มราริการแต่รอบชั้นแรกนี่คือรอบมนุษย์ทั้งหมดชั้นที่สองะฮะก็รอบมราริการชั้นชั้นแรกชั้นที่สเนี่ยก็เช่นกันเจชั้นมนราริการลงมาหมายความว่าไงฮะแล้วล้ลงมาและในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีกล่าวต่อไปนะครับในยันที่ร้อยห้าอินชอนแล้วอะแต่เป็นประเด็นก็คือเรื่องนกะย้ามุมมาชูดเป็นวันที่ถูกเป็นพยานทุกคนเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานในะวันนี้ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครปฏิเสธแล้ววันนั้นเพราะวันนั้นมานี่คือไม่มีใครปฏิเสธ้ แ, แต่ แต่ถ้าจะมาศรัทธาช่วงวันนั้นเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์จะรอศรัทธาเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยรอไม่ได้รอแล้วเนี่ยไม่ทันการอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานวาจึงให้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเยอะแยะมากมายบ่งบอกว่าประเด็นไหนที่สงสัยอ่าเมื่อกี้ยกถึงประเด็นของความอาธรรมใช่ไหมถ้าไม่มีโลกหน้ามันจะไม่มีความมาทําในโลกนี้อ่าหนึ่งนะสองคือแล้วก็ประสงสัยเรื่องอะไรจะเป็นไปได้เราจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเหรอ เอาล็อก็ให้ตัวอย่างว่าไงฮะไอ้ที่เราเกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดได้ไหมเกิดได้ครั้งที่สองย่อมได้อ่ะยังไม่ชัดเห็นพืชไหมที่ตายแล้วแล้วเอาล็อให้เห็นกับตาเห็นกับตาจะเป็นผลไม้ชนิดใดตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอาไปเดินไหนอีกคือทุกเรื่องเนี่ยเอาล็อกในล้อมไว้ทั้งหมดอ่ะหรือเอาตัวเราเองไม่ต้องพืชนะฮะตัวเราเนี่ยนอนหลับไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีไหมคือหรือว่ามนุษย์ต้องการที่จะให้ ฟื้นขึ้นมาก่อนจริงๆนะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาก่อนจริงๆเออเชื่อแล้วมันก็จะไม่เป็นความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะไม่เป็นวันเดียววันที่วันวันเกียรมะวันเกียรมะคือวันแห่งการฟื้นเกียร์แปลว่าการฟื้นลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพนั่นเองนะครับดังนั้นอัาลิฮฺรยามุลมุมชูดเป็นวันที่ถูกเป็นพยาธิ์อ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นเกิดขึ้นเลยมันนานแล้วที่นาบีสัญญาเนี่ยก็นานใช่ไหมฮะอุลามาเขาได้แบ่ง บางท่านน ะ, ะเกียมัดเนี่ยสามอย่างผมว่าแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันมันทำให้เราเนี่ยค่อยๆเห็นเกียมัดหมายถึงว่าหมถึงอะไไงไม่ใช่ค่อยๆเห็นเกียวว่าคือคือจะทําให้เราเนี่ยพอที่จะ เ, เห็นว่า เ, เกลียมัดจริงๆมันเร็วไม่ได้ช้าอย่างที่เราจินตนาการเร็วยังไงฮะถ้าหากมองถึงเกลียมัดจริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะดูว่านานเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนยุค ก, ก่อนเนี่ย นบีบอกว่าชั้นเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือสัญญาณหนึ่งของวันเกียมาและชั้นเสียชีวิตก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งและมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่มากี่ปีแล้วฮะร่วมพันสี่0 0พันห้ารอปีมันนานอ่ะแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบและชีวิตเราเนี่ยเหลือกี่ปีอีกสมมติอีกประมาณสา4สิบี่สิบหรือห้าิปีสมมติอย่างนงี้นะฮะห้าสิบปีเนี่ยนานเริ่มจะสั้นแล้ว พอเกียรมัดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเกียรมัดแบบแรกก็คือเกียรมัดซูร่รอเกิดขึ้นแบบเล็กเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตนี้คือเกิดเกียรมัดสำหรับเขาแนละ้วเพราะเวลาเช่นทาริสรทันนบีบอกถ้าคนมีความสุขนะฮะนอนในกูโบเนี่ยระหว่างเวลาในกูโบจนกระทั่งถึงเวลาที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยจะเท่ากับเวลาประมาณอัสรีถึงมะเร็งเป็นต้นความเร็วนั้นหมายถึงว่าเวลาชีวิตที่เหลืออยู่จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเนี่ยบวกกับอีกหนึ่งเวลาอัสรีนั่นคือเกียรมัดของเรา นานไหมฮะอ่าตอนนี้เริ่มไม่นานแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราตระหนักว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้แล้วแต่กําหนดของล้อใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือเริ่มใกล้แล้วอ่าเกียร์มัตสู้รอเกียมั ต, เ, มตเล็กของแต่ละคนเกิดขึ้นได้ทุกวัน 2. เกียมัฮุสตตอเกียมัแบบกลางยังไงฮะอ่าตัวนี้ส่วนตัวจะเสียชีวิตใช่ไหมฮะมีมีเป็นเป็นเจเนเรชันหรือว่ายีนในภาษาอังกฤษเนี่ยยุคนั้นหรือคนรุ่นนั้นเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เป็นเกียุคนั้น เขาทาให้เราเห็นภาพยิ่งขึ้นออเราเราเริ่มจะมีอย่างภาษาเราอาจจะบอกว่าอ๋อคนนี้แต่งงานกันไปรุ่นเราเนี่ยเหลือไม่มีคนเหลือคนนั้นคนนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกหน่อยเขาจะมีว่าไม่แต่งงานแล้วอ๋อคนนี้ลูกลูกลูกจะแต่งงานเน่ยลูกของเพื่อนเนี่ยแต่งงานกันไปหมดแล้วอีกรุ่นแล้วแล้วพออีกโตไปอีกนิดนึงหมายถึงว่าอายุขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะบอกว่าอ๋อรุ่นเราเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีอะไรฮะกลับไปหาอลอันแล้วะ ออเริ่มไปและวสองแล้วนะยุคนี้นะรุ่นรุ่นเราเนี่ยไปสองแนละไปสามเอาตอนนี้เหลือครึ่งคึครึ่งครึ่ ง, งแต่สุดท้ายจะเป็นไงฮะเออรุ่นชั้นเนี่ยก็มีชั้นอยู่คนเดียวเลยแหละแล้วก็รุ่นหลังก็จะมาบอกว่า อ, อ๋อถ้ากี่คนเนี่ยรุ่นแกเนี่ยเสียไปหมดแล้ะหรือแกคนเดียวและแล้นแก่เสียชีวิต อ, อันนี้คือหมดรุ่นละนี่คือเกียะะร์มาเลยฮะอุสตอคือเกียร์มาที่เกิดขึ้นแบบกลางก็คือหมดยุคหมดรุ่นของรุ่นนั้นนะฮะ อันนี้นี่คือผู้หลักผู้ใหญ่เขา ก, ก็จะพูดถึงกันเนี่ยพอสมควรใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นภาพเอ่อจริงวะอันนี้ความความจริงเริ่มที่จะประจกกักษ์แล้วใช่ไเออจริงมันเปลี่ยนยุคเนี่ยคนคนก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครอายุน้อยลงใช่ไหมแต่ละปีเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วก็ชราขึ้นเรื่อยเป็นเรื่องปกตินะฮะนี่คือการความจําเป็นของการเตรียมตัวสวนเกียร์มาแล้วก็สุดท้ายเกียร์มาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะกลับคืนสวรรค์ น, นะครับวามาห์ฮิรูหูอัลลอฮ์บอกและเราไม่ได้ น่วงเหนี่ยวมันก็คือวัลกิยามันนอกจากอิลลลอัจลิมมาอดนอกจากเพื่อระยะเวลาที่ถูกนับเอาไว้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานแต่เป็นเวลาเวลาที่ถูกกาหนดเอาไว้ซึ่งกาหนดเอาไว้เนี่ยเป็นความรู้นะที่อัลลอ์ไม่มีใครรู้ความรู้นี้นอกจากพระองค์เนื่องจากการไม่รู้ดีกว่าการรู้การไม่รู้จะเป็นส่วนทาให้บททดสอบสมบูรณ แต่ถ้าเรารู้ว่าวันเกียร์มั้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บททดสอบก็จะไม่มีความหมายเพราะวัทดสอบของเอเล็กคือทําจนกระทั่งสิ้นชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะสิ้นชีวิตเมื่อไหร่อันนี้คือบททดสอบของอเล็กแต่คนเนี่ยมักจะเอาใจใส่สิ่งที่ไม่ควรจะรู้ก็คือวันเกียร์มั้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทําไมถึงนานหรือเกินอะไรต่างๆแต่ประเด็นก็คือเราเตรียมตัวอะไรเอาไว้สําหรับวันเกยียร์่างที่เอเล็กได้บอกนะครับซุบฮานะุอัลลอฮฺด แล้วเราบอกว่าและเราไม่ได้หน่วงเหนี่ยวมันไว้เว้นแต่เพื่อวาระที่ถูกกําหนดไว้หมายถึงว่าเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ทั้งชีวิตของแต่ละคนแล้วก็วันเกียรติที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับยาวมัยตีลตาตะกะละมุนอฟซุนอิลลาบิอิษณีที่บอกวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เมื่อมาถึงแล้วจะไม่มีชีวิตใดได้รับอนุญาตให้พูดนอกจากอัลลอฮ์ต้องอนุญาตก่อนอิลลาบิอิษณี นี่คือสภาพความน่าสะพริงกลัวส่วนหนึ่งของวันเกียร์มาที่ล้อฉายภาพคือนิ่งทั้งหมดนะฮะในวันนั้นนิ่งทั้งหมดไม่มีใครได้รับอนุญาตอาจจะมีบางฮันิษที่เราอาจจะมองว่าแต่มีบางฮันิษที่ผู้คนรวมตัวกันแล้วก็ไปขอให้นบีท่านต่างๆเนี่ยช่วยเหลือหน่อยช่วยไปวิงวอนต่อร้อนหน่อยให้ขออุทธรเริ่มตัดสินคดีความอันนี้ฮันิษนี้ก็คืออุลมะเขาบอกว่าใช่ช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะไม่รับการอนุญาตให้พูด แต่มีบางจังหวะที่เราจะอนุญาตให้ใครก็ตามที่ปร ะ, รงประสงค์สามารถที่จะพูดได้คุยได้นะครับแต่ยา น, นี้มีช่วงเวลาหนึ่งแน่นอนยอเมยะตลาตะกลัมุนัซุนอิลลาบินจะไม่มีชีวิตใดพูดนอกจากด้วยกับอนุมัติของอัลลออย่างในสุโรสุรอันนบะที่เราบอกเยอเมยะกมรูวมาลกะวันที่จิบริน จะลุกขึ้นยืนและมรดกทั้งหลายจะยืนกันเป็นซอฟและยะตะกลมูนจะไม่มีใครพูดอิละมันอัลินละฮุร์ราะห์มานอกออาบนอกจากผู้ที่อัลรอฮ์มานผู้ทรงกรุณาปรานีจะอนุญาตให้เขาพูดและเขาจะพูดสิ่งที่ถูกต้องザลิกัลเยามุลฮักใ น, นสันนวนของสุร uh, ์อันนับะอัลลอ์บอกว่าวันดังกล่าวนี่ザลิกะ Thelical เยามุลฮักเป็นวันแห่งศาสัาเราไม่ได้ใช้สำนวนว่า Thelical เยามุลฮักกีในเชิงภาษาอังกฤษเนี่ยมีความแตกต่างเยามุลฮักกีวันแห่งสศธรรมวันแห่งความจริงแต่ที่เราใช้สำนวนเนี่ย Thelical เยามุลฮ <The> ักอันเยามุอันฮักก็คือวันเนี่ยจริงไม่ใช่วันแห่งความจริงนะฮะพอจะมีความหมายวันแห่งความจริงก็คือวันที่จะอ้างไปถึงความจริงไหม วันนั้นอันยาหมู่อันหักวันนั้นทั้งวันเนี่ยจริงเพราะคนกําลังปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธวันเกียรมะถ้ารีกันเยาหมุลหักอลัลลอฮ์จึงบอกว่าฟามันชาะะอัตคอตอีลาลบบิฮีมาอาบะดังนั้นใครก็ตามประสงค์ก็จงยึดเส้นทางการกลับไปหาอาลัลลอฮ์สุบฮานหอหัวตะลาเถิดเพราะเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเนื่องจากทุกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้อง กลับไปหาอัลลอ์สุบฮานหัวแต่ในสภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ออนุญาตทุกคนจะไม่ได้รับอนุอะไรนะจะไม่มีชีวิตใดพูดนอกจากจะต้องได้รับอนุญาตจากอัลลอ์เท่านั้นฟามินหุมชะกี้อยู่วาซาอดบางคนจำแนกกลุ่มคนในวันเกียมะสองกลุ่มส่วนหนึ่งคือชะกี้ยุนคือมีความทุกข์อีกส่วนหนึ่งก็คือซาอด คือมีความสุขในสองกลุ่มเลาจำแนกใช่ไหมฮะผู้คนทั้งหลายในวันเกียร์มันเนี่ยจำนวนมหาศาลแต่โดยแบง่งโดยแบบว่าอย่างง่ายที่สุดและแบบชัดเจนที่สุดก็คือคนที่มีความทุกข์กับคนที่มีความสุขซึ่งความทุกข์และความสุขเราจะอธิบายต่อนะครับในระยะต่อมาหรือว่าความทุกข์ยังไงความทุกข์จริงแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในโลกนี้และความสุขก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ในโลกนี้คนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งเนี่ย เริ่มมีความสุขหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนทางที่มีความสุขไม่ใช่หนทางที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าคือโลกนี้ซิญนุนมุมินหัจชนนตุนกาฟิซใช่ไหมฮะที่ท่า น, นาบีบอกเป็นคุกของผู้ศรัทธาเป็นสวรรค์ของกาฟิซยังไงฮะคือความหมายไม่ได้หมายถึงว่าผู้ศรัทธาต้องไม่มีความสุขเหมือนกับที่เป็นชาวชาวคุกไม่ใช่ แต่ความหมายก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยมีกฎระเบียบเหมือนกับชาวคุกใช่ชาวคุกทําอะไรตามมารยาศัยไม่ได้คน อ, อยู่ในเรือนจำผู้ศรัทธาเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติตามกรอบขอ้อเลาะแต่ไม่ได้บอกถึงความสุขหรือความทุกข์ในประเด็นนี้หรือจะบอกว่าผู้ปฏิเสธเนี่ยดุลยานี้คือสวรรค์ของพวกเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาจะมีความสุขในดุลยาไม่ได้หมายความแบบนี้แต่ความหมายก็คือสวรรค์คืออะไรครับอิสระเสรี เขาสามารถจะปฏิบัติอะไรก็ได้ตามประสงค์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีความสุขพบวันทีเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือผู้ศรัทธาในโลกนี้ต้องมีความทุกข์ใครบอกอะฮะจริ ง, รงๆแล้วผู้ศรัทธาอย่างที่มิมรุเตมียะเราให้มาฮุดละใช้คุอิสลามได้บอกว่าจะไม่ได้พบสวรรค์นในโลกหนั้นนอกจากต้องพบสวรรค์นในโลกนี้ก่อนคือความสุขในการพักดีต่อรออันนี้ก็คือเร า, เาพิสูจน์ได้คือมุสลิมทุกคนต้องมีส่วนจากความสุขในการอิบระฮิตรอะอย่างเล็กนะ้อยเองต้องมีต้องมี อย่างน้ยก็คือคนสูงว่าไม่ละหมาดไม่ถือศีดอดลด้วยะฮะต้องมีส่วนเล็กน้อยส่วนอะไรฮะอย่างน้อยังมีอัลลอฮ์นะยังไงก็ยังมีอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วถูกไหมฮะดังนั้นมุสลิมอย่างเช่นการถือศีลด้วยฮะต้องมีความสุขอย่างน้อยคือขณะละศีลอดคนอื่นก็จะไม่สุขในส่วนนี้นี่คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะละศีลดเกิดขึ้นในดุลยาดังนั้นประเด็นที่บอกว่าแบ่งคนเป็นสองกลุ่มในวันเกียรติ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในนนวัี้ ด น, นมุม ม, มของเราเนี่ยก็จะเป็นจะต้องปรับให้ถูกต้องว่าความสุขที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่ความสุขที่ฉาบเฉวยบางคนจะเข้าใจว่าความสุขคือการฝ่าฝืนคําสั่งของร้องเอาเราไม่ได้บรรจุนะใช่ความสุขจอมปลอมเนี่ยถูกรอยไว้ที่ไหนฮะอันนี้มีฮาริสบอกนะฮะความสุขจอมปลอมเนี่ยถูกรอยไว้ในความชั่วต่างๆแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราสุภะหานหัวตะลาจะให้ความสุข เกิดขึ้นกับการฝ่าฝืนคําสั่งของเลาเป็นความสุขแบบอิ่มเอมแล้วมันต่อเนื่องอะฮะอยากจะทําอีกเจอเลยไม่จริงอนะความสุขความความความชั่วนะเราสังเกตดูบางทีเราเองหรือบางทีเราเห็นคนเนี่ยเขามาปรับทุกมาบอกเนี่ยบอกว่าอะไรฮะโอ้โหเขาผิดพลาดทําความผิดที่ไม่เคยทํามาในชีวิตนี่ฮะพอพลาดไปแล้วเนี่ยครั้งแรกจะรู้สึกโอ้โหฉันทําไปได้ไงจะรู้สึกว่าร่างกายมันจะต่อต้านมากยกเว้นเวลาเขาทําเป็นประจํา ทำจกนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นความชินชาพอทำแล้วเป็นไงฮะมันก็จะเริ่มยกระดับเลเวลขึ้นยิ่งทำความผิดเพิ่มอีกเป็นต้นแต่ส่วนความดีเนี่ยก็อันนี้แน่นอนนะความดีตังหากเป็นความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็ถาวรฟามินหุมเชคกี้ยูอาซาอดบางคนก็มีความทุกข์บางคนที่มีความสะอาดผมจะยกอายะทเทลลัสสุบฮานะหัวตาเนี่ยได้บอกจดตรงไหนในซูรออ่า จะบอกว่าผู้มีความสุขคือผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ปฏิเสธมีสองอายะอายะแรกในสุรานอาลาัลละห์เราจะได้รู้ว่าเราจะได้ปรับใหม่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะและผมว่าเขา เ, เข้าใจว่าส่วนหนึ่งจากการที่คนไม่หันสู่อิสลามเนี่ยเข้าใจาอิสลามเนี่ยยากเข้าใจาอิสลามเนี่ยมีความทุกข์เข้าใจเวลาอ่าดมันมันเป็นภาระที่มันใหญ่เข้าใจาถือสินอดเนี่ยมันคือการอดอาหารมันต้องมีความเศร้าหน้าเลยอะไรเงี้ยนี่ใช้ตอนให้ภาพให้ภาพ ให้ภาวาดูมันมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่าง ๆ, ๆนะครับอัลเราบอกในสุราัา ล, ล่ะฟาซักกิรินนฟาติซิกร์จงตักเตือนเถิดแท้จริงการตักเตือนยังประโยชน์ไซซักกะรูไมยักษ์คนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อตักเตือนคืออะไรครับคนที่กลัวอั şa, ล Allah อย่าซักกะรูไซซักกะรูไมยักษ์วายแต่จันนบุฮัยอัลกอดูเราใช้คำนะฮะ ส่วนผู้ที่จะออกห่างไกลจากคาตักเตือนก็คืออยู่แนวทางอิสลามนะคือใครอันอัชกออัชกอมาจากคําว่าชักกียุนชักกียุนแปลว่าผู้มีความทุกข์อัชกอแปลขั้นกว่าซูเปอร์ทีฟหรือคอมเพลทีฟคืออะไรฮะทุกกว่าคนที่จะออกห่างไกลจากแนวทางอิสลามคือใครครับคือคนที่มีความทุกข์อัลลอฮ์บอกและลักษณะของเขาคืออะไรฮะอัลลดียส์ลนารุลคุบคืออายันี้อัลลอฮ์พูดถึงปัจจุบันนะฮะในดุนยา คนที่ได้รับประโยชน์จากความจากการตักเตือนคือคนที่ยำเกรงคนที่เกรงกลัวส่วนคนที่ออกห่างคืออะไรฮะคนที่มีความทุกข์สแสดงว่ายิ่งออกห่างไกลจากหลักการอิสลามยิ่งอะไรฮะยิ่งมีความทุกข์มันจะพบออกอบความสุขไม่ได้อาจจะมีความสุขอะไรบางอย่างซึ่งหากดูแล้วนะฮะคนที่มีความสุขแม้จะเป็นความสุ ข, สขอิ่มเอิมใจจริงๆนะแต่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วสังเกตแล้วนะจะเป็นความสุขที่เขาทําตามหลักการอิสลาม นี่การันตีได้เลยะฮะทำไมคนนี้เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เขามีความสุขอะฮะอ๋อเพราะเขาการันตอยู่ต่อพ่อแม่ทำไมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความสุขอะฮะแล้วบอกว่ามุสลิมจะมีความสุขอะไรอะอ๋อดูสิว่าเขาเขาทำอะไรคือความสุขอย่าคิดว่ามีเฉพาะในละหมาดอย่างเนี้ใช่ในละหมาดละหมาดซึ่งความสุขท่านอบีทําเป็นแบบอย่างแต่มีกิจกรรมอื่นที่เลานเนี่ยบรรจุความสุขไว้ในตัวและเป็นความสุขที่มันมันมันต่อเนื่องอะฮะอย่างเช่นคนที่ชอบบริจาคบางทีเขาไม่ใช่มุสล เฮ้ยทำไมเขามีความสุขอะแล้วไหนบอกว่ามุสลิมอาใช่เขาทํากิจกรรมที่มีความสุขกิจกรรมที่เราแนะนําให้มุสลิมปฏิบัติแต่มุสลิมไม่ปฏิบัติคุณก็ไม่มีความสุขแต่คนอื่นเ้าเอาไว้ไปปฏิบัติเขาก็มีความสุขแต่ความสุขของเขาจํากัดอยู่ในโลกนี้เข้าใจไหะแต่ถ้ามุสลิมทําความดีตามที่เราบอกแล้วเนี่ยความสุขมันจะเกิดโลกนี้แล้วมันจะเกิดโลกหน้าเนื่องจากเราศรัทธาทั้งสองโลกนี่คือประเด็นสําคัญที่ประเด็นแยกเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ จะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอ๋อแบบนี้เราบางคนเนี่ยบอกว่าละหมาดแล้วฉันไม่เห็นชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยงั้นเราไม่ละหมาดเอาเราแสดงว่าการละหมาดเนี่ยทําให้ชีวิตอ่ะบึงคนเคนเปรียบเทียบว่าฉันละหมาดแต่ชีวิตไม่ดีแต่นี่ไม่ละหมาดชีวิตเขาดีดีกว่าฉันงั้นแสดงว่าฉันไม่ละหมาดตากกะก้าเอาผิดผิดมานะฮะเหมือนกับว่าอันนี้เชฟรีดอเขาเคยเคยยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยคนยกตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมฮะ ใช่เขาบอกว่างั้นแบบนี้เนี่ยคนบอกว่าฉันเมื่อฉันเดินบนทางเท้าแล้วรถเกิดชนรถขึ้นมาชนทุบบอไซด์ขึ้นมาเฉียวปับ๊บเฮ้ยแบบนี้บนทางเท้าไม่ปลอดภัยแล้วแหละงั้นเราไปเดินบนถนนดีกว่า <laughs> มันจะปลอดภยัยมันใช่ไหมครัไม่ใช่เหมือนอย่างครับคนบอกว่าเออฉันละหมาดแล้วไม่เห็นดีเลยมันทําไม่ละหมาดมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แน่นอนนะครับ ซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยว่าคนที่เขามีความสุขแม้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่อัลลอฮ์ระบุว่าจงทําสิ่งนี้และแน่นอนว่าความสุขนี่จะตามมานะครับดังนั้นเนี่ยอายะห์หนึ่งนะที่น่ะเสนอพี่น้องอีกอายะห์หนึ่งเลาบอกการันตีมันอามิลาซอริฮันมินตะกะดินอาวูนซาหัวมุหมินใครก็ตามทําความดีจะเป็นชายจะเป็นหญิงโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาศรัทธาว่าอัลลอฮ์มองดู สัตย์ว่าความดีไม่สูญหายสัตย์ว่าต้องได้รับการตอบแทนแน่นอนฟาลาโนฮิยันนาหูไฮอาตันติบาเขาจะมีชีวิตเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีในดุลยานี้ในโลกได้ตอบแทนอย่างดีอยายะนี้ย่อมมงบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาที่ประกบอบกุญาจคนนี้ต้องดีแน่นอนและดีงามในโลกนี้แต่ประเด็นคือคนจะมาบอกอีกเช่นกันว่าทําไมฉันทําความดีไม่เห็นได้ดีเลยอะมันมีสองส่วนคุณทําความดีเนี่ยบนพื้นฐานของศรัทธาไหมถ้าบนพื้นฐานของศรัทธา มันต้องได้ดีสิต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกประเด็นหนึ่งบางทีศรัทธาว่าทําความดีได้ดีแต่ทําความดีแบบไม่ดีมันจะเป็นเป็นความดีไหมฮะละหมาดเนีดีไหมฮะละหมาดดีพระบอละหมาดได้มีความสุขเลยถามว่าแล้วคุณละหมาดดีไหมถ้าละหมาดดีมันก็จะเป็นความดีจริงๆตัวละหมาดแต่ถ้าละหมาดไม่ดีละหมาดช่วยนะี่เขาเรียกว่าเป็นการงานที่ดีไหมฮะ มันไม่เป็นการางานที่ดีแล้วนัแสดงว่ามันไม่ได้ผิดที่สมการที่เราบอกว่าใครก็ตามทําความดีบนพื้นฐานของศรัทธาจะได้รับชีวิตที่ดีคือนี่เป็นกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เนี่ยใครทําแบบนี้ใครก็ตามเราไม่ได้จำกัดใครก็ตามที่ทําความดีบนพื้นฐานของการศรัทธาจะเป็นชายหรญิงก็ตามจะได้รับชีวิตที่ดีเดยนั้นในสมการนี้ไม่ผิดะฮะเหมือนกับว่า จุดเยือกแข็งที่สูององศาหนึ่งโท่กับสองนะอันนี้คือมันเป็นกฎที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่เราลองแล้วมันมันไม่ได้อะชีวิตมันไม่ดีอ่ะแสดงว่าคุณไม่อ ย, อย่าดูที่อย่าดูที่ผลลัพธ์คุณไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุที่คุณทําเนี่ยว่าไอ้มันเป็นอามันซอแล้วจริงไหมที่เราทำเนี่ยมันดีจริงไหมทําไมบริจาคแล้วไม่เห็นดีแล้วบริจาคแบบว่ารู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกไปล้ําเลิกบุญคุณเขาอะไรแบบนี้ไม่เห็นรู้สึกดีแล้วโดนด่ากลับโดนว่ากลับอะไรเงนะ เป็นต้นก็ต้องกลับไปดูที่สาเหตุอย่าไปดูผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์มันต้องได้ตามที่อัลลอฮ์กำหนดอยู่แล้วนะครับอัลลอฮ์จึงบอกฟามินฮุมชากียูอัสาอิษอันนี้หลักฐานชัดเจนนะฮะว่าความทุกข์และความสุขเนี่ยเกิดขึ้นในตั้งแต่ในดุนยานี่ฟามัลละดีนะชาคูอ่ะเราจำแนกให้รายละเอียดว่าสําหรับบรรดาผู้ที่ชาคูผู้มีทุกข์ฟาฟินนาริจะได้อยู่ในนรก ลาหมฟีฮาซาฟีรูอาชะฮิกพวกเขาจะได้รับจะมีะสิ่งที่เกิดขึ้นคือซาฟีรูแปลว่าการถอนหายใจเนื่องจากความความเศร้าความตกใจวะชะฮิก ah ก็คือการสะอื้นซาฟีนี่คือหายใจออกส่วนชะฮิก ah นี่คือการหายใจเข้า ก็คือคนสะอื้นนะฮะก็คือหายใจออกและหายใจเข้าเนี่ยคือเป็นสภาพที่เกิดความหวาดกลัวนั่นเองนะครับนี่คือสภาพของผู้ที่มีความทุกข์อลออฟาฟินนะเจะอ๊อยู่ในนรกนั่นเองนะครับยในนรกนี่คือทําไมซามให้คําว่าหลงทางเนื่องจากอะไรฮะไม่มีคนเคยไปหลงเพราะจริงแล้วอลอปบอกตั้งแต่ในเ บ, บียดัมอยู่นะถ้าเราดูโครงสร้างของเรื่องทั้งหมดนะเรื่องของเรื่องก็คือนเ บ, บียดัมมาอยู่บนโลกนี้และเราก็อยู่ตามใช่ไหม a ะ l a h u a ู a m u ta biakhudaya فلا كوفن علي هملاهم يهزانو เนี่ยข้อนี้ก็เป็นข้อที่บ่งบอกว่าผู้ศรัทธาปฏิบัติตามหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจแล้วมันไม่จะเศร้าจะจะไอ้คนมีความทุกข์ไหมฮะถ้าปฏิบัติตามหนทางของอัลลอฮ์ก็ต้องมีความสุขไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจจะมีอะไรฮะก็มีแต่ความสุขดังนั้นนี่คือนี่คือสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เราบอกหนทางกลับไปสู่อัลลอฮ์เรื่องประเด็นอยู่ที่ว่า ลงมาเนี่ยคือเยี่ยมโลกนี้มาเป็นตัวแทนของลอตบนโลกนี้และสุดท้ายเนี่ยกลับไปหาลอตดังนั้นเนี่ยหนทางไปสู่อลัลลอฮ์เลยเป็นฮูดาทางนําไปสู่อลอตนะส่วนเราเราใช้คําว่าหลงทางดุนยานี่คืออะไรฮะหลงทางไปไหนฮะก็ไปในรกเพราะนรกทำไมถึงใช้คําว่าหลงทางดอนแรกนี่คือหลงทางทําไมฮะเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปมาก่อนนี่คือประเด็นแล้วเราจรึง จ, งจึงใช้คําว่าหลงทางแต่สวรรค์เราไม่ใช้ว่าหลงทางเพราะเนื่องจากอะไรฮะ พรทุกคนเนี่ยลงมาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวอยู่แล้วเพื่อจะกลับไปอยู่ในสวรรค์ถาวรเหมือนกับนบีอาดัมเนี่ยเอเลาะให้ท่านเกิดมาอยู่ในสวรรค์แต่ธรรมชาติของเอาลาะในการสร้างมนุษย์นะฮะต้องให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้ก่อนแม้แต่นบีอาดัมเองเคยอยู่ในสวรรค์เอเลาะยังให้ท่านลงมาด้วยกับฮิกม้าของพระองค์อยู่ในโลกนี้เพื่อจะกลับไปอยู่ในสวรรค์แบบตลอดกาลดังนั้นเนี่ยคือแนวของสายกลางของอิสลามฮะยังไงฮะ คือเราจะเกียดดุนยาขนาดไหนเนี่ยอัลลอฮฺไม่อนุ ญ, ญาตที่ให้จะให้ใครเขา้เขาสวรรค์นอกจากต้องผ่านสะพานของดุนยาต้องผ่านโลกที่เรียกว่าดุนยานี้จะเข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะต้องผ่านดุนยานี้ในเบียดัมจะเข้าสวรรค์อยู่แบบถาวรตลอดกาลผ่านดุนยาดังนั้นนี่คือดุนยานี้มีประโยชน์ตรงัส่วนไหนฮะเป็นเส้นทางที่จะกลับสู่สวรรค์แบบถาวรดังนั้นเนี่ยประเด็นในดุนยาคืออะไรฮะประเด็นดุนยาคืออย่าหลง ให้มีเรดาร์หรือว่าจับทิศทางให้ถูกซึ่งทิศทางเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกยังไงเพราะเราไม่เคยมาอยู่กันในโลกนี้ก็ต้องได้รับคํำแนะนำจากอลัลลอฮ์อย่างเช่นในสรหุตเนี่ยเช่นกันนะครับแล้ฮุฟฟีฮ่ซาฟีรูว้ว่าฉีกเราบอกข้อดีนะฟีฮ่อยู่ในนั้นเป็นเวลานา น, านตลอดการตลอดการยังไงมาดามติสมาวาตวนอารุตุตาบใดที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังคงอยู่อันนี้เป็นสำนวนของอัลกั ที่เขาจะใช้เนี่ยคือตราบใดที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังคงอยู่หมายถึงว่าตลอดการนี่คือความหมายนะอิสลามาาระบุนอกจากพระเจ้าระยะเวลาที่พระเจ้าของเจ้าเนี่ยประสงค์หมายถึงว่านี่ชาวนะฮะชาวนารกใช่ไหมฮะอุลามาก็บอกว่าหมาย บ, บางบางคนอุลมามาลิมเองเนะฮะบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่านารกมีการดับศูนย์ ดับศูนย์ยังไงเนี่ยอิลลามาชาอัลลอฮนอกจากเทอดลอประสงค์แสดงว่าถ้าอัลลอฮฺประสงค์ให้ในรกดับศูนย์ได้ไหมฮะก็ได้แต่จริงแล้วทัศนะที่ถูกต้องก็คือที่บอกว่าอิลลามาชาอัลลอฮบุนอกจากเทอดลอประสงค์คือทัศนะหนึ่งะบอกว่าอัลลอฮฺประสงค์ที่จะให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องเข้าในรกช่วงเวลาไหนช่วงก่อนที่จะเข้าในรก ช่วงการสอบสวนเข้าในรกยังฮะยังไม่เข้าในรกนั่นแหละครับนี่คือเวลาที่ล้อประสงค์นี่อุลมามะจุมฮูรของมูฟสัสซรินเนี่ยให้ความหมายแบบนี้และอีกในยะหนึ่งซึ่งไม่ขัดกับความหมายดังกล่าวนะฮะก็คืออิลลามาชาลับบุกก็คือการที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอยู่ในนรกตลอดการ อ, อีกทัศนะหนึ่งเขาพูดถึงว่านอกจากเวลานอกจากผู้ที่ล้อประสงค์นอกจาก เอาล้อประสงค์หมายถึงว่าเอาล้อประสงค์จะให้บรรดาผู้ศรัทธาที่บางทีอาจจะต้องถูกลงโทษในรนรกน่ะอุสบินไลมินันนะให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าในสวรรค์นในที่สุดอันนี้คืออิลลามาชาลบบุคความหมายของของส่วนนี้นะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็คือคําว่าอิลลามาชาลบบุกนี่คือหมายถึงคนที่อยู่ในนรกเนี่ยที่เขาอยู่ในนรกและไม่ออกมาเนี่ยนั่นคือความประสงค์ของสำนวนแบบนี้นี่คือเป็นการยืนยันว่า อยู่ในนรกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในรกก็อย่างนั้นนะ่ะนะะแต่เป็นความประสงค์เป็นความเป็นอํานาจอันเด็ดขาดของอัลลอฮฺอินลมาชาลอับไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะมีเวลาที่จะได้ออกจากนรกเปล่าเราสำนวนเนี่ยอาจจะบอกว่า่สมมติเนี่ยถ้าคนบอกว่าเออไม่ต้องออกไปไหนแล้วครูบอกกับนักเรียนห้ามออกไปไหนอยู่ในห้องนี้จนกว่าครูจะ เ อ, อ, อนุญาตเลยจนกว่าครูจะเลยนะจนเขาครูจะประสงค์เป็นอื่นมันจะให้ความหมายว่าไงฮะอ๋อโดยทั่วไปเนี่ยจะให้ความหมายว่าอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมาอนุญาตใช่ไหมฮะสำหรับนรกในลักษณะนี้อาญานี้นะครับบอสถูปอาลลอไม่ได้หมายถึงว่าอัลลอฮฺจะให้เขาวันหนึ่งเนี่ยออกจากนรกหรือว่านรกดับสวนเปล่าแต่ความหมายคือการที่เขาอยู่ในนรกเนี่ยนั่นคือประสงค์ของอัลลอฮฺซุบะฮานะฮฺวะตะแล้วก็สอดคล้องกับ ประโยคถัดมาที่เราบอกอินนารบบะกะฟะลุลลิมายุริดอัลลอฮ์ทำตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์อันนี้อายะในหนึ่งเ็นะครับอัลลอ์บอกต่อไปฟะวะอัมมัลลาดีนะซุ่ยดูย้าสุดท้ายและสำหรับบรรดาผู้ที่ซุ่ยดูพี่น้องดูสังเกตุอายะนะฮะจะมีความสวยงามมากอายะที่ร0 6เนี่ยใช้คำว่าฟัมมัลลาะชู ชะกูนี่แป ล, แลว่าอะไรบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ในภาษาอรับเนี่ยเขาจะมีคำกริยานะฮะมีสองรูปแบบกริยาที่เรียกว่า فعل ุนบินาุนลินมาลลุคือกริยาที่ตัวผู้ประธานของมันเนี่ยคือตัวผู้เจ้าของกริยาตัวนั้นเลย ก็คือเวลาคนที่มีความทุกข์เนี่ยทุกข์ด้วยกับตัวเองหมายถึงว่าเขาเลือกเส้นทางแห่งความทุกข์เองอันนี้คือหนึ่งนะฮะส่วนเอเลอพูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความสุขเนี่ยเอเลอไม่ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเสุขด้วยกับตัวเขาเองแต่พวกเขามีความสุขถูกทําให้มีความสุขว่าอมมันลยทีนะ่ะช่ยดย้อันนี้คือเป็นการบ่งบอกถึงความโปรดปานของเอเลอและความยิ่งธรรมของพระองค์ ความยุติธรของพระองค์เนี่ยกับบรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทําพวกเขาเราไม่ทําให้พวกเขาไม่ได้ทําให้พวกเขาเนี่ยคืออาร้อให้พวกเขาเนี่ยมีความทุกข์ใช่แต่อาร้อนไม่ใช่เป็นผู้อาธรรมจนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องมีความทุกข์แต่สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับตัวเองแต่เขาสวรรค์ด้วยกับความโปรดปานของลอว์อันนี้คือความละเอียดขอ ง, ขงของันกุนนะวอมเลดีนาซูไอดูสําหรับคนที่ได้รับความสุข ได้รับความสุขนี้คือความหมายที่แตกต่างนิดหนึ่งฟาฟินยันนะพวกเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์คอลีนาฟิฮาตลอดการสํานวนเดียวกันมาดามาติสมาวาทวนอะรุุตราดายชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นยังคงอยู่หมายถึงว่ตลอดการอิลามาชารับุนอกจากที่ยวรอบประสงค์เนี่ยอายันี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเข้าใจคาดเคลื่อนบอกว่าอ๋อแสดงว่าผู้ศรัทธาที่เข้าสวรรค์เนี่ยจะมีอิลลานอกจากที่ยวรอบประสงค์หมายถึงว่าจะมีวันที่ออกจากสวรรค์หรื จะมีวันที่ไม่ได้อยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์จะไม่อยู่แล้วถูกทําลายลงหรืออย่างไรอิลลามะชารบุนอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์ไปถึงว่าจะมีวันหรือเปล่าที่อัลลอฮ์จะประสงค์ที่จะไม่ให้มีสวรรค์อุลมามะบอกว่าสวรรค์นเนี่ยตลอดกาลแต่สนมนวนที่บอกว่าอิลลามาชารับบุกหมายถึงว่าที่ได้อยู่ในสวรรค์นเนี่ยที่ได้อยู่ในสวรรค์นเนี่ยเนื่องด้วยความประสงค์ของขอัลลอฮ์ ดังนั้นแสดงว่าเราเนี่ยจะขอสวรรค์เนี่ยคือขอต่ออัลลอฮ์และขอให้พ้นจา ก, กนรกคือขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตระหนักว่าเรามาจจะทําความดีขนาดไหนมากที่จะผิดพลาดขนาดไหนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ใต้อํานาจของอัลลอฮ์สุบฮานอห์ตะทั้งสิ้นดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยสํานวนต่อไปหรือประโยคสุดท้ายเนี่ยเอาตออันร้ยเรามายะดูซึ่งเป็นการยืนยันว่าจะไม่ออกจากสวรรค์อุรุษมาเขาบอก เป็นการตอบแทนประทานให้โดยไม่ขาดตอนโอยรามาจูตูนแสดงว่าตลอดการโอยมักตัวไม่มีการตัดขาดนั่นหมายถึงว่าตลอดการสำหรับใครครับสำหรับชาวสวรรค์แสดงว่าสวรรค์มีไงฮะมีตลอดการซึ่งทั้งคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขก่อนเทอลลัสุปหานหัวตาจะสร้างโลกนี้มานะฮะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูก ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกฮะดิษบทนึงที่ท่านนาบีพูดเนี่ยคือลักษณะนี้นะฮะโดยตอนท้ายของฮะดิษเลยที่เ อ, อท่านนาบีสลุลตลาร์วยสัมตักเตือนพวกเราเนี่ยว่าจะเอาฮะดิษมาให้นะครับฮะดีษบันดูด้วยมุคหรี่และมุสลิม น, นะครับเนี่ยที่ท่านนาบีบอกว่า อ, อ พยุมรบิอบานดีริสกิฮีวาอาจะลีฮีวช่ชะกิ ย, นยุนอัสซาิดเวลาคนที่อยู่ในต้งแต่คันบันดาลิอขอนาน้านี้ด้วยสัมพันธนะฮะในคันบันดานี่คืออลัลลอฮ์จะให้มาเป่ามักนกมาเป่าวิญญาณและกาหนดเรียบร้อยจะเป็นชาวคนที่มีความทุกข์หรือจะมีความสุขเรียบร้อยคือฮะดิษนี้เนี่ยจะมาอธิบายตัวอายะดังกล่าวว่าอิลลามาชารัลลอฮฺนี่คือประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานของหวัวตาประสงค์ของอัลลอฮ์อย่างไงแล้วเราจะได้ รู้ถึงประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เรายิ่งต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่กลับกันยิ่งทําให้เราปล่อยปากได้เลยเนี่ยไม่ใช่นะฮะทุกคนในดุนยานี้อัลลอฮ์รู้เรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นเจ้าสวรรค์ใครเป็นชาวนรกอันนี้คือจบแล้วนะฮะนาะที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แล้วแล้วก็ทําไมต้องมีดุนยานี้อัลละฮ์สามารถที่จะนําใครเข้าสวรรค์เข้านรกได้เลยเนื่องจากความที่ทําของอัลลอฮ์และเนื่องจากการที่จะเป็นประจักษ์ ให้กับซากราโลบรนดาเมริกาเนี่ยก็จะรู้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นวันอาราฟาต่างๆที่อัลลอฮ์ได้อวดกับบรรดาเมลิกันถามกับบรรดาเมลิกัว่ามาอดาฮาุล่คนเหล่านี้เขาต้องการอะไรกันเหมือนกับเป็นการเตือนเมริกาแต่ตอนที่อินนิยาอุลสิอาตุลิคอรีฟข้าต้องการที่จะอะไรนะฮะยายให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้เมลิก็นบอกว่าท่านจะให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียมาทะเลาะเบาแว้กกันบนโลกนี้หรือเราคาดูในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้ แล้วก็ความรู้หึก็คือที่อัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมและอวดบรรดามาเลกาเนี่พี่น้องทราบผมนาเสนอบ่อยนะฮะจุดเด่นหนึ่งของนาบีอาดัมคือการสามารถที่จะศึกษาความรู้ซึ่งมาเลกาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถตอบคาถามกับอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์อวดให้นาบีอาดัมเป็นคนตอบคําถามแทนหนึ่งและประการที่2องคืออะไรฮะคือการที่ผู้ศรัทธานี่หมือนมุลตุลกิลมบอกการที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเตาบัดตัวต่ออัลลอฮ์ซึ่งมาเลกาไม่มีไปได้ประเภทนี้และในวันนั้นเนี่ย วันอาราฟ้าวันอาราฟ้าทุกอาราฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์จะเสด็จลงมาแล้วก็จะถามมาาัลลิกาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการภูมิใจในบ่าวของพระองค์มาอารอดาฮาอูล่พวกนี้เขาต้องการอะไรกันถามมาาัลลิกาและเป็นการตอกย้ำเนี่ยตอกย้ําให้มาาัลลิกาเนี่ยได้ได้เห็นคือมาาัลลิกาแน่นอนว่าท่านไม่มีความผิดนะครเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติกิรอมันกาตีบินอยู่ณที่อัลลอฮ์สูงสง่ง แต่เราต้องการที mm ่จะสอนเมเลกาให้รู้ว่าบ่าวของเรานี่คืออวดลูกหลานอาดัมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยอวดบรรทุรุษมาก่อนแล้วถามเมเลกามา่อเรด้หูแล้วพคนพวกนี้ต้องการอะไรแล้วเราก็จะให้เมเลกาเป็นพยานเราเอาพยานโทษให้กับพวกบาวของพระองค์ที่มาในวันนั้นเห็นภาพใช่ไหมฮะนั้นแสดงว่าคืออะไรฮะนี่คือให้มาในการสร้างขอบเราที่มาอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงอะไรฮะ อ่า ว, ว, วันอารอฟาเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งคือตอนพี่ที่คนเนี่ยจะเป็นเป็ น, ปนถูกประจักษ์พยานทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานว่าอะไรครับว่าอาลัลลอฮ์ไม่อาจทำใครอันนี้คือใช่คนที่ปฏิเสธ อ, อ, อ, อัลลอฮ์ก็ดําเนินดําเนินการตัดสินของพระองค์ด้วยความยุติธรรมของอลัลลอฮ์อันนี้อลัลลอฮ์ไม่อาจทำนะครับ ส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยอลัลลอฮ์จะได้อวดบรรดามเมเลกาเนี่ยก็จะได้เห็นว่านี่คือบ่าวของพระองค์ที่เขามีความผิดมนุษย์อย่าไม่ใช่ไม่มีความผิดมีความผิดและทําความผิดอย่างเยอะด้วยแต่ประเด็นสําคัญของพวกเราคืออะไรฮะพวกเราเนี่ยสํานึกผิดอย่างมากคอยรุนคอยตออีนตาะอวม่าสานึกผิดกลับไปหาอาลัลลอฮ์ด้วยความจานวนซึ่งเป็นไอบาดาที่ไม่มีใครเขาทํากันแต่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยทำเพื่ออะไรฮะตวบะการสํานึกผิดกลับตัวไปห า, อ, าอัลลอฮ์ มรนก็คืออาจจะไม่ไม่ทราบเป็นอิบาดะเหล่านี้อิบาดะทีมุลโคิมได้บอกนะฮะมันก็ไม่รู้ว่ามีบาดะลักษณะนี้ดังนั้นนี่คือจุดเด่นของเราเนี่ยผิดพลาดโอเคผิดพลาดว่ากันแต่การเตาบาัตสจะเป็นอิบาดะพิเศษอิบาดะที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นหะดิสที่ท่านอับดุลลาห์อะลัยซัมได้บอกเนี่ยดังนั้นเราทําทําให้เรารู้ว่าแม้ว่าจะรู้แล้วว่ามีคนที่เป็นคนชาวนรกชัดเจนเท้าวสวรร์ชัดเจนเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยแล้ว แต่เราไม่สามารถที่จะอ้างได้ในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เคยบอกพี่น้องนะฮะเราอ้างเฉพาะสิ่งที่เรารู้เราไม่รู้อัลลอฮ์กำหนดเราเป็นอย่างไรแต่เรารู้อัลลอฮ์ใช้ให้เราทําอะไรเราปฏิบัติตามความรู้อย่าปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้คนที่ใช้อัอฮกำหนดผิดเนี่ยบอกว่าอาลัลลอฮ์กำหนดแล้วนี่ยะที่ชัดเจนอซยาบุคฮาริมุสลิมกุตอ่านชัดเจนเอลัลลอฮ์ประสงค์ใช่ไหมฮะแสดงว่าเราทําตาม เออไม่ต้องออทําแบบนั้นแหละเพราะล็อกําหนดแล้วไม่ใช่ฮะเราไม่รู้อย่าไปอ้างสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ให้เราปฏิบัติ ต, ตามความรู้ อ, อ่ะแล้วก็มีประโยชน์อะไรฮะเทียร์ล็อกําหนดเนี่ยมีประโยชน์เนื่องจากจะทําให้เราเนี่ยรู้ฮะด่สลังกล่าวหรือรู้อายะดังกล่าว น, นะฮะทำให้เรายิ่งต้องนอบน้อมต่อหล่อไม่ใช่เพราะการงานที่ทําให้เราเข้าสวรรค์อันนี้ฮะดิสเนบีบอกน ะ, ะไม่ใช่ว่าทํางานเยอะอู้ทำรู้สึกว่าฉันละหมาดเยอะทํา ความดีต่างๆางเราล้อมากฉันรู้สึกว่ามันจะเหลิองจะอะไรตัวเองก็นแล้วนะไม่ไม่ไ ม, ไมอย่าอยา ไ, มไม่แน่อินลามาชาลบุคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮ า, หาหนะฮฺประสงค์อย่างไรอัลลอฮ์กําหนดอย่างไรเนีไม่รู้ดะะังนนข้อดีบทนี้เนี่ยจึงมาบอกบอกว่าอะไรฮะชายคนหนึ่งทํางานการงานของชาวนารกจนกระทั่งเหลือแค่ศ อ, อ, อ, อ, อ, อกเดียวหรือคือเออเหรือแค่เอ่อศอกเดียวหรือคืบเดียวนะแต่การกําหนดของเราในล้ําหน้าเขาแล้ว ทำให้เขาทําการงานของชาวสวรรค์ก่อนจะเสียชีวิตจนกระทั่งเข้าสวรรค์อีกคนนึ่งทำการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งเหลือศอกเดียวหรือคืบเดียวจะเข้าสวรรค์ลแล้วแต่กำหนดของร้อนละแลล้ําหน้าเขาใช่ไหมฮะทําให้เขาทําการงานของชาวนรกเขาเข้าในรกในที่สุดความหมายของฮันดนินี้คืออะไรฮะเป็นฮันนิที่ดีมากทําให้สองกลุ่มเนี่ยยิ่งต้องนอบน้อมต่อเพราะเราไม่รู้อะไรกําหนด กลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนทําความดีนทำโดยแล้วที่จะล้อให้เราอยู่ในเส้นทางอันเที่ยงตรงขอเร้องอยู่ในหลักการขอเร้องมีการละหมาดมีการศึกษาศาสนาอันนี้คืออยู่ในส่วนที่ถือว่าทำโดยแล้วขอบคุณต่อลรามากอยู่ในความดีใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฟังฮันิษบทนี้แล้วหรือฟังกุรอ่านแล้วเนี่ยกาหนดขอเร้องชัดเจนใช่ไหมฮะเราต้องไม่กรียิใจว่าอ๋อนี่คือเราแน่ๆสวรรค์แน่ๆนไม่ฮะแต่เรานอบน้อมต่อเลาสวรรค์ันทำโดยขอบคุณต่อเราตลอด ทุกอย่างที่เอารอให้เราได้ทําความดีนี่คือเป็นปัจจัยทําให้เราขอบคุณต่อหรแสดงว่าฮัตตินี้ทําให้ ร, ระวังตัวไม่หลงตัวเองซึ่งการหลงตัวเองเป็นความผิดที่ใหญ่หลงตัวเองนี่เป็นลักษณะของใครครับของชัยตอนชัยตอนนี้ทําความดีเยอะแต่หลงตัวเองหนึ่งนะและเช่นเดียวกันฮัตติบทนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทําความผิดเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ได้เพราะฮัตติบอกว่าทําการงานลองชาวนรกมาเหลือแค่สอบเดียว โอ้ยฉันจะเอารถจะเตาเตาบันเหรออันี้ฮะดิสนี้จะเสียชีวิตแล้วเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยเหลือไม่กี่วันหรือไม่กี่นาทีจะเสียชีวิตเนี่ยแต่เขากลับมาทําากรงานของชาวสวรรค์เป็นไงฮะได้เข้าสวรรค์สแสดงว่าฮะดิษนี้เป็นฮะดิสที่ระ ง, งับความความหลงตัวเองของคนที่ทําความดีและเป็นกําลังใจของคนที่ผิดพลาดสามารถเป็นคนดีได้เสมอไม่ใช่กลับกัน ไม่ใช่กับกันคนทำความผิดก็คนทําความดีบอกว่าฉันเดี๋ยวฉันไม่รู้ตอนตาจะเป็นไงไม่ใช่ให้เรามีความระวังตัวและขณะเดียวกันคนทําความผิดให้มีความหวังซึ่งสองลักษณะนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะฮะสิ่งนี้ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าคนทําความดีแล้วหลงตัวเองเนี่ยเหมือนกับอีบลิสส่วนคนทําความผิดแล้วสิ้นหวังเนี่ยก็เหมือนกับอีบลิสเหมนกันใช่ฮะอีบลิสนี่คือหลงตัวเองแล้วก็อะไรฮะสิ้นหวังแปลกป้าดูเนี่ แต่ฮะดิษนี้เนี่ยท่านนาบีมาให้อะไรฮะให้เราระวังทั้งถ้าคนดีถ้าเราอยู่ในคนทงนางนําของอรรรท์ทำดุลแล้วนะฮะอย่าหลงตัวเองจะได้มีเหมือนอิบลิสหรือถ้าเราอยู่ในทางที่ยังผิดพลาดอยู่ก็อย่าสิ้นหวังทําไมฮะก็เป็นนิสัยอิบลิสเหมือนกันรวมอยู่ในม <laughs> ันแปลกมากนะครับและนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในค่าคืนนี้ช้อนแล้วใน ครั้งต่อไปนะครับในระยะที่109เกราจะมาศึกษากตะกูุกอิฮซวสตักฟุรุลฮะอีมลุมลลอฮลานา u h a l a ĥ ī s ā b i u s a ا ل ل ه و ب ر